เรื่องนักโทษประหารโทษประหารมีปราชญ์ทางพุทธที่ธรรมลีลา เพราะเห็นจากมุมมองของคนอ่านว่า ยิ่งอาจารย์แสงเขียนนักโทษประหารไว้ตั้งแต่ปี 2508 โดยเริ่มได้ไอเดียจากการมีโอกาสไปไขข้อข้องใจให้แก่นักโทษเริ่มได้ไอเดีย แรกผมพยายามๆแต่นี่เป็น แต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่ากับคุณ นักโทษคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าดุจเห็นข้าพเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งดวงตาของเขามีแววขุ่นแสดงว่าไม่พอใจอย่างมากคุณเป็นใครมาจากไหนเขาถามด้วยเสียงเครียดผมไม่ได้ทำความผิดอะไรผมไม่ใช่นักโทษผมไม่ได้อยู่ในเรือนจำคำตอบชวนฉงนของนักโทษย่อมดึงความสนใจใคร่รู้ว่าทำไมเป็นนักโทษอยู่แท้ๆแต่กลับไม่รู้ตัวแถมยังสำคัญว่าตนมิได้เคยทำผิดคิดร้ายแต่ยังได้อย่างเสียด้วย ด้วยจังหวะการดำเนินเรื่องที่กระชับอีกไม่ๆเพชฌฆาตอาจจะ นี่เป็นอีกจุดหนึ่งของความน่าสนใจและไม่ ตัวเมื่อเห็นเพื่อนถูกประหารต่อหน้าต่อตานั่น เมื่ออ่านหนังสือนักโทษประหารจบไม่ คุณอาจรู้สึกเหมือนถูกตบแก้มเรียกสติ ไหวอำนาจความเคยชินในคุกได้ทำลายความกลัว ทางความผิดประการแรกคือมีคําตอบคือ 2 คือแม้รู้ว่าเป็น 3 คือ วิธีแหกคุกออกไปพบอิสรภาพต้องทําอย่างไรกล่าวโดย ไม่รู้ว่าเรียกว่าบุญหรือบาปโลกย่อมเป็นไปตามกรรมแน่ แม้สิ่งที่รู้จะไม่พา ใจไม่เทื่อเมื่อรับฟังประจำทุก แรงใจ